บ้านเนี่ยเป็นปัจจัยสนะแล้วเราก็ต้องอาศัยบ้านเนี่ยนะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาให้อยู่อย่างมีความสุขมีบ้านเอาไว้กันร้อนเอาไว้กันหนาวแต่ท่านนั้นก็ไม่พอนะอยู่บ้านก็ต้องนะมีความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขกายเพราะว่าไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บเบียดเบียน นะมีเงินมีข้าวปลาอาหารนะมีสิ่งเอำนวยความสะดวกนะไม่มีอันตรายจากภายนอกมาคุกคามใจก็เพราะว่านะไม่มีเรื่องกังวลไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนไม่มีความบาดหมาง ก, กันทั้งกับคนข้างนอกแล้วกัคนข้างในนะคนเราเนี่ยนะก็ต้องการนะความสุขกายสุขใจ และบ้านก็เป็นสิ่งหนึ่งหนะ้าที่จะช่วยทำให้เรานะมีความสุขกายสุขใจได้้เราก็จึงมีประเพณีน ะ, ะทำบุญเพื่อให้เกิดสิริมงคลกับบ้านเรียก ง, ง่ายว่าทำบุญบ้านอนนี้เนี่ยการทำบุญนะที่จะเกิดสิริมงคลการที่ ม, มณฑพระมาะสวดนนะเจริญพุทธมนต์ก็ดีหรือว่ามา พรหมน้ามนตนะให้กับผู้อยู่อาศัยก็ดีอันนี้มันเป็นสรีมมงคลชั่วคราวนะมันเป็นสรีมมงคลชั่วคราวจะถ้าจะให้ยืนยาวเนี่ยเราก็ต้องทำอย่างอื่นด้วยก็คือการทำความดีการทำบุญทำกุศลถ้าทำได้ทุกวันนะทำได้ตลอดเวลายิ่งดี มนที่พระสาธยายอันนี้มันก็มีอนุภาพในการปัดเป่าอันตรายปกป้องไม่ให้ทุกภัยเข้ามากล่ำกลายได้แต่ว่าอย่างที่บอกนะมันก็เป็นเรื่องชั่วคราวอันที่สงของมนนี่มันเหมือนกัญญานะคือมันมีวันหมดอายุนะยาที่เรากินนะอาหารที่เร า, าทาน แม้กระทั่งน้ำดื่ม น, ะน้ำหวานนี่มันก็มีวันหมดอายุน ะ, ะมนก็เหมือนกันนะมีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะพึ่งสรีมังคลนะจากพุทธมนต์อย่างเดียวนะคงไม่พอน ะ, อะต้องอทำอย่างอื่นด้วยนะการรักษาศีลห้าอันนี้แหละนะจะทำให้เกิดสรีมังคลนะเป็นเบื้องต้นนะ บ้านเนี่ยมันจะมั่นคงแข็งแรงแน่นหนาแค่ไหนมีกำแพงล้อมรอบอย่างดีแต่ถ้าคนอยู่อาศัยรวมทั้งเจ้าของบ้านไม่มีสีลห้าหรือมีสีลห้าไม่ครบนี่ก็ลำบากนะเช่นเอาแต่กินเหล้านะไม่ไปงนานทำงานจนเป็นหนี้สินบ้านก็จะถูกยึดนะสิบล้านร้อยล้านก็ถูกยึดได้นะ หรือว่าคนที่อยู่ในบ้านนี่ไม่มีสตินะ <S <S พกินเหล้ามันก็เลยเกิด อ, อุปัติเหตุเช่นไฟไหม้ <S <S บ้านสร้างด้วยปูนก่อด้วยอิฐนี่มันก็ยังถูกไฟไหม้ได้น ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่บ้านเนี่ยไม่ไวเป็นเจ้าของบ้านผู้อาศัยต้องมีสี่ห้าเป็นอย่างน้อยขาดสี่ข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้ บกพ้องเรื่องศีนข้อสาก็เกิดการทะเลาะเบาแวงกันไม่มีความถูกต้องในเรื่องสีนข้อการเมนะก็ทําให้เกิดการบานหมาง ก, กันในครอบครัวทะเลาะเบาแวงกันจนบ้านแตกนะบ้านแตกนี่ไม่ใช่ว่าบ้านมันพังทลายนะบ้านก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าจิตใจนี่มันแตกสลายนะาเราบ้านแตกครอบครัวนะอยู่กันไม่ได้พัด ก ร, ก, กระจายคนละทิศคนละทางเพราะว่าผัวไปมีกิ๊กหรือว่ามีมีชู้เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าบ้านเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้บ้านแม้จะติดแนรอย่างดีมีรั้วแน่นหนาแต่ว่าคนอยู่ในบ้านก็อยู่ร้อนนอนทุกข์นะนี่เรียกว่าสบายกายนะแต่ว่าทุกข์ใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้เกิดเสถียมงคลนะกับบ้าน กับคนที่อาศัย น, นะหลังจากานิมนต์พระามาสวดมนต์แล้วนะหลังจากถวายสังฆทานแล้วนะล้วก็มีกิตมีหน้าที่ที่ต้องทำต่ อ, อไปคือว่ารักษาธรรมะให้มันอยู่ในใจของเราทำบุญบ้านแล้วนะก็อย่าลืมนะต้องทําบุญให้กับเจ้าของด้วยหลายคนเนี่ยทำบุญแต่บ้านนะแต่ว่าไม่ได้ทําบุญให้กับเจ้าของ ทำบุญให้กับเจ้าของก็คือการมันทำความดีสร้างบุญกุศลบุญกุศลที่ทำเนี่ยมันจะซึมซับเข้าไปในจิตใจนะมันจะแผ่เข้าไปนะทั่วร่างกายด้วยร่างกายเนี่ยเรามันประกอบไปด้วยน้ำนะเจ็ดสิบปดสิบเอร์เซน์มันมีคนญี่ปุ่นเนี่ยพบว่าถ้าเอาน้ำเนี่ยใส่แก้วสองแก้วนะ แ ก, ตตกแก้วหนึ่งเขียนว่าเมตตาติดเอาไว้อีกแก้วหนึ่งเขียนคาว่าเกียรติชังติดเอาไว้ในแก้วนะติดไว้นอกแก้วนะผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเขาก็จะเอาแก้วเอาน้ำในแก้วสองแก้วเนี่ยมาทําให้มันแข็งเพื่อหาผลึกน้ําแข็งแล้วก็พบว่าผลึกน้ําแข็งของแก้วที่มีข้อความว่าเมตตาผลึกมันจะสวยมากเลยต้องใช้กล้องจุลทรรศนะ ดูด้วยตาเปล่าเห็นอีกแก้วนึงเนี่ยที่เขียนว่าเกียดชังเนี่ยพอทำให้เป็นน้ำแข็งเนี่ยผลึกมันนี่มันไม่เป็นระเบียบเลยไม่สวยเลยขณะที่น้ำเนี่ยดูด้วยตาเปล่าเนี่ยใสยเหมือนกันนะแต่พอดูรละเอียดแล้วนี่แตกต่างกันมากเขาก็ทดลองแบบนี้ไปหลายอย่างนะให้ฟังบางทีก็ให้ฟังเพลงหรือเปิด พระเปิดบวสมมนให้ใส่ให้แก้วน้ํามันฟังนะอีกแก้วนึ่งก็ดามเข้าไปไอเลวไอชั่วนะนะดามไปเนี่ยวันละหลายๆครั้งเนี่ยน้ําทั้งสองแก้วยังใสเหมือนเดิมนะดูได้ตาป่าแต่พอเอาไปนะส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เนี่ยกล้องโทรทัศน์โอ้มันมันต่างกันด้ผลึกมันต่างกัน อันนี้ก็แปลกนะเพราะนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยพูดดีทาดีคิดดีนะไอ้น้ำในร่างกายเรามันก็จะดีไปด้วยของเร็วในร่างกายมัจะดีไปด้วยถ้าเราพูดเร็วคิดเร็วทำเร็วนะคิดร้ายคิดลบนะของเยอในร่างกายเรานะมันก็จะเสื่อมจึงบอกว่าเนี่ยถ้าเรา รักษาศีลห้าทำบุญทํากุศลนะบุญกุศลเนี่ยมันก็จะซึมซับเข้าไปในร่างกายของเราด้วยนะแล้วก็ซึมซับเข้าไปในจิตใจนะจิตใจแล้วก็จะเป็นบุญเป็นกุศลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าอยากจะทําบุญก็ทําบุญบ้านแล้วก็ทําบุญให้กับเจ้าของและถ้าเราทําบุญให้กับเจ้าของเนี่ยนะโดยพราะถ้าเราอ่า รักษาศีลทำความดีแล้วก็บันฝึกจิตฝึกใจทำสมาธิภาวนาเจริญสตินะอย่างที่สอนที่วัดเนี่ยอยู่บ่อยๆเนี่ยนะมันทำให้ใจเรานี่มีที่พึ่งนะเรียกว่าใจเรานี่มีบ้านสร้างบ้านให้กับตัวเราเนี่ยบ้านที่เราเห็นนี่นะมันเป็นบ้านแค่บ้านของกายนะมันคุ้มร้อนคุ้มหนาวไม่ให้กายเนี่ยเจ็บป่วยแต่ว่าใจก็ต้องมีบ้านเหมือนกันนะ บ้านที่ก่อโดยอิสซาได้ปูนนี่มันยังไม่ใช่บ้านของใจนะมันเป็นบ้านของกายและบ้านของกายนี่บางทีก็เป็นภาระนะหลังคารวกก็ต้องซ่อมบางทีก็ต้องผ่อนเราพวกเรานี่โชคดีนะไม่ต้องผ่อนบ้านแต่ว่ากว่าจะได้บ้านมา น, นี่โอ้ก็ต้องไปนะทำงานหาเงินนะพ่อแม่ก็ทำไร่ลูกสาวก็ไปทำงานในเมืองนะส่งเงินมา เดือนละพันสองพันสามพันนะกว่าจะมีเงินเป็นก้อนนะซื้อที่สร้างบ้านในโอ้มันก็หลายใช้เวลานา น, านได้มาแล้วก็ต้องรักษาคอยป้องกันไม่ให้โจรมาป้นมีไฟมาไหมหรือว่ารักษาไว้ไม่ให้ใครมายึดนะบางทีเป็นพาร้านนะโดยเฉพาะบ้านสมัยนี้นยะถ้าเป็นบ้านคนในเมืองีโอ้มัน ลาสองลานนี่หายากนละ้วบต้องสิบลานก็ต้องผ่อนผ่อนตลอดชีวิตเลยก็มีสามสิบนปะีนี่แหละบ้านของกายเป็นพาราเหมือนกันนะแต่บ้านของใจนี่สบายนะไม่ต้องผ่อนนะมันทําได้เลยนะแค่ทําใจให้ดีทําใจให้มีสติกายวาจาก็มีศีนะอันนี้ก็เรียกว่าบ้านของใจก็ค่อยๆนะ ก่อดตัวขึ้นมาถ้าทำเป็นประจำเป็นทีน่สายนี่ mm hmm. ก็เลยว่าจะมีบ้านของใจที่เข้มแข็งมั่นคงนะบ้านของใจนี่ไปที่ไหนบ้านก็ตามไปนะไอ้บ้านของกายนี่ไปไหนนี่ไปตัวเปล่านยะบ้านมันก็ยังอยู่กับที่นะมาวัดบางทีก็ห่วงบ้านไปเที่ยวไกลๆก็ห่วงบ้านหรือว่าไปที่ที่ไม่คุ้นเคยก็เหงากลัว ไปเข้าป่าก็วิตกกังวลนะแม้วางคนไปวัดนี่ยังกลัวเลยเป็นนอนวัดเนี่ยคนเดียวกลัวอะไรเนะกลัวผีวัดนี่มีพานเยอะแยะนี่ไม่เห็นพานเห็นแต่ผีนึกถึงแต่ผีอันนี้เขาว่ อ, อะไรเพราะมันบอกมีบ้านของใจเนี่ยถ้ามีบ้านใจเนี่ยโอ้อยู่วัดก็สบายไม่กลัวนะอย่างนี้หลายคนไปวัดนี่กลัวอะไรกลัวทุกแกงกลัวหนู ใจิตใจมันอ่อนแอเลยเพืเพราะขาดบ้านนะถ้าใจเรามีบ้านโอ้อยู่ที่ไหนก็อบปุ่นนะอยู่วัดก็สบายนะอยู่ป่าก็ไม่กลัวนะไม่รู้จักคำว่าเหงาอยู่คนเดียวก็ไม่เหงานะเพราะว่าอมีใจนี่แหละนะเป็นเพื่อนคนเดียวนี่เหงามากนะขี้เหงาถ้าทั้งที่อยู่กับคนมากมายอันนี้เรียกว่าบ้านของใจนี่มันขาดหายไป พะฉะนั้นเนี่ยก็เรามีบ้านของกายแล้วนะก็อย่าลืมบ้านของใจนะเกิดมาทั้งทีเนี่ยมีแต่บ้านของกายแต่ ว, ว่าใจเนี่ยมันบอกมีบ้านนี่มันเสียชาติเกิดด้นะเพราะว่าถ้ามีบ้านให้กับใจแล้วจิตใจก็อบขุ่นมีความสุขเจออะไรก็ไม่ทุกนะเป็นสุขได้ในทุกเวลาถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ใจนังนเสียชาติเกิดได้ มีบ้านหลังใหญ่นะแต่ว่าจิตใจร้อนรุ่มกะกุ้มใจเหาทีนี้เป็นกันเยอะมากเลยอันนี้เรียกว่าเกิดมาทั้งทีเนี่ยนะยังได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์ <c oughs> พวกเราบ้านของเราอาจจะไม่ใหญ่โตเข้มแข็งแน่นหนา น, นะแต่ถ้าเรามีบ้านของใจไว้เนี่ยเราก็สุขสบายอยู่เย็นเป็นสุขทุกที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเอาไว้นะ ทำบุญบ้านแล้วก็อย่าลืมทําบุญให้กับเจ้าของนะมีบ้านของกายแล้วก็ต้องสร้างบ้านของใจด้วยโดยการมีศีลให้ครบถ้วนนะศีลห้าเป็นอย่างน้อยต่อไปก็ศีลสิ 10, นะหรือว่าศีลสิก็ได้นะสุดแท้แต่เจ้าของนะจะนึกคิดขึ้นมาเพื่อบำรุงการบำรุงใจแล้วก็ทาบุญสร้างกุศลเพื่อเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเสียสละ รวมทั้งมันฝึกจิตทำสมาธิภาวนาดูจิตดูใจเจ้าของให้มีสติมีความรู้สึกตัวสติและความรู้สึกตัวเนี่ยนะเป็นบ้านอย่างดีเลยนะของใจนะอยู่กับความรู้สึกตัวไว้อย่าให้หลงแต่สติความรู้สึกตัวเกิดขึ้นได้มันก็ต้องมีศีล น, นะแล้วก็มีความดีนะเป็นฐานเหมือนกับเป็นเสาเอาไว้แล้วก็ขออนุโมทนานะพ่อแม่ออกทุกคนนะที่ได้มาร่วมกันทำบุญทำกุศลในวันนี้ ก็ขออ้างคุณพระศิรตนรนัตใจอานวยอวยผลให้ทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญด้วยอายุวันณาสุขาพละเพื่อเป็นภารกิจใยในการทําความดีงามสร้างกุศลมีทานศีและภาวน า, าเป็นต้นเพื่อให้มีความสุขความเจริญปลอดภัยไกลทุกได้เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทิร์นเตรียมกดน้ํา หาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวเมวอิโตจินางเปตานังอุปกะปเตอิจิตังปฏิตังตุมังคิปเมวัฏมีฉตุสภีปูเรนตสังกปาจันโทปนรโสยทามณโชติราโสยีติโยวิวันตุสาพะโร สตมาเตภาววันตาลโยสุขีธีปายุกภาวะภิวัฒนาสสเีจังวุฒาปชาญโนจัตตโลธรมมาวันติยาวันโนสุขังพาลัง วาทะโกะสิริวาทโกยาวาทโกะละวาทโกะวันนวาทโกสุมาวาโก โอตุสาคาธาตุคาโลอายาเวลาโสกัสตุจุปตตวาอเนกาทารายาปิพินาสันตุจเตจัสายสิิานังลาังโสีายังสุขังสิริอายุจวันโนจะโพคังบุติจายสวสัสวาสจ อยู่จากีวาสีทิพวันณตูเตผวตสัพพังคารังาหันตสัพเทวตาสัพภูาลุภาเวนัสธาทิพวันตุเตผวตสัพพังคารังราันตสัพเทวตาสัพะธรมมานุภาเวนัสธาโสทิพวรรตูเตวาตสัพ มะขารังลังขันตุสัมเทวตาสังฆาลุภาเวนะสนาโสทีิภาวนุเต